หรือว่าเมื่อกายนี้สัมผัสกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนานก็ปรุงจิตให้เกิดโทสะปฏิฆะหุดหงิโดโกรธแค้นขัดเคืองในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของทุกนั้นก็เป็นอันว่าทุกข้อนั้น เป็นต้นเป็นปลายของการในกันได้ต่างต้องอาศัยซึ่งกันในกันเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ใช้สติด้วยวิธีอนุปัสสนาคือตามดู ตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นไปอยู่อย่างไรในปัจจุบันต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมรภพรหันันสมมมามพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์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 มีความเข้าใจก็ยอมจะทำให้รู้จักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมจารีบุคคลได้โดยถูกต้อง คำว่าทมนี่ก็เป็นภาษาที่บัญญัติขึ้นซึ่งมีความหมายว้างขวางแต่ว่า ก็อาจรวมเข้ามาได้ในสัจจะคือความจริงสัจจะคือความจริงนี้เองเป็นธรรมหรือธรรมะ แม้ว่าคำแปลของสองคำนี้จะต่างกันแต่ก็สัมพันธ์กันคือธรรมะแปลว่าทรงไว้ส่วนัรจากคือความจริงนั่นก็แปลว่ามีอยู่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 จึงตัดแสดงไว้เองว่าตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่คือสัจจะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จึงแปลกันว่าความจริงอันทำให้ผู้รู้ เป็นอริยะคือเป็นภูประเสริฐเป็นภูเจริญก็ได้แก่ความรู้จักทุกรู้จักทุกข์กับสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกข์กนิโรธความดับทุกข์รู้จัก มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเรียกว่าอริยสัจสอันเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ <c oughs> ก็คืออริยสัจทั้งสี่ที่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 ก็คือข้อที่พึงปฏิบัติกระทํสี่ข้ออันได้แก่กําหนดรู้หรือรู้จกักรอบขอบในทุกข้อหนึ่งอันเรียกว่าปริญญาละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ข้ออันเรียกว่าปะหานะททำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข้อหนึ่งอันเรียกว่าสติกรณะและอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นในมักต์คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้อหนึ่ง อันเรียกว่าภาวนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจึงรวมเข้าในกิจทั้งสีน่นี้กำหนดรู้หรือทำความรู้รอบครอบในทุกข์ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์ และมักและอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็รวมเป็นกิจสี่ประการและกิจสี่ประการนี้จะทำให้มีให้สมบูรณ์ขึ้นได้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 อันเรียกว่าอภิญญาซึ่งแปลว่าความรู้ยิ่งอันหมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงนั่นเองอภิน ญ, ญานี้ต่างจากปัญญาสามัญทั่วไปโดยที่ปัญญาสามัญทั่วไปนั้น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 จะมีความรู้ลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆเพียงใดก็ตามจะรู้ทิ่งทั้งหลายในโลกที่อาศัยอยู่นี้จะรู้ไปถึง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 โลกอดีตด้วยญาณคือความอย่างรู้อันเกิดจากสมาธิอย่างสูงแต่ยังเป็นความรู้ยึดรู้ติดก็ยังไม่เป็นอภิญญาเป็นปัญญา ทั่วไปหรือเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาที่ยังเกี่ยวอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นยังยังไม่พ้นทุกข์รู้มากอาจจะทุกข์มาก เพราะว่าอาจจะใช้ความรู้ก่อสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดทุกข์ได้มากหรือว่ารู้มากยึดถือมากเกี่ยวเกาะมากก็ทุกข์มาก ถ้ารู้น้อยอาจจะทุกน้อยกว่าก็มีเป็นอันมากมนุษย์ในโลกนี้มีปัญญาสูงซึ่งเป็นโลกิยะปัญญาจึงมีความเจริญ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 ด้วยอำนาจของตันหาด้วยอำนาจของโลภ ล, ลดลงเพราะความรู้ที่รู้นั้นยังไม่เป็นอภินยาคือไม่ใช่รู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่ายังไม่ใช่เป็นความรู้ทัพ อันหมายความว่าทับกันหาทับกิเลสกองโลภลดลงทับก็คือบรรเทาหรือว่าดับอภิญญานั่นนอกจากแปลว่าเป็นความรู้ยิ่ง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 คืออาสวยายาัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวัคเพราะฉะนั้นจึงทรงละกิเลสและกองทุกได้ทั้งสิน้นเพราะปัญญาที่ทรงได้นี่เป็นอภิญญา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 กาหมายถึงเหนือทุกเหนือกิเลสพ้นกิเลสพนทุกนั่นเองแม้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะทั่วไปปฏิบัติในกิจทั้งสี่ ดังที่กล่าวมานั้นหรือว่ากล่าวโดยทั่วไปก็คือปฏิบัติในมัคมีองแปดย่นเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นไกรสิกขาศีลและสิกขา กิตติศิขาคือสมาธิและปัญญาศิขาหรือว่าตามพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานอันเรียกว่าโอวาทะปาติโมกไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลในถึงพร้อมํำระจิตของตนให้ผ่องใส การปฏิบัติทำทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะต้องถึงปัญญาอันเป็นความรู้ยิ่งหรือรู้ทัพกิเลสละกิเลส ดังที่กล่าวและแม้ว่าจังละไม่ได้มากละได้น้อยละได้เท่าไรก็เป็นการปฏิบัติที่ละทุกละกิเลสได้เท่านั้น ก็เป็นโลกุตระเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นโลกุตระชั่วคราวคือละได้เะเพาะอย่างจะเพาะคราวก็เป็นโลกุตระจะเพาะอย่างจะเพาะคราวเป็นการปฏิบัติขัดที่จะให้จิตใจของตนการปฏิบัติของตนอยู่เนื้อ กิเลสเหนือทุกคือละกิเลสละทุกขพ้นกิเลสพ้นทุกนั่นเองการปฏิบัตินั่นก็ต้องตั้งตนกันมาอย่างนี้ทางนั้นพระพุทธเจ้าในพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องทรงตั้งต้งตนมา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 ในศีลอย่างไรในสมาธิอย่างไรในปัญญาอย่างไรหรือยกเอาจำพาะงวดสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิต กำหนดทมการทำความรู้ความเข้าใจก็ไม่ยากเช่นในข้อติตรัสสอนให้ตั้งสติกาหนดกายนั่น ข้อแรกก็ตรัสสอนให้กําหนดลมให้ใจเข้าออกมีสติให้ใจเข้ามีให้แก่ติให้ใจออกดังนี้เป็นต้นก็เป็นข้อที่เข้าใจได้ง่ายและที่พระอาจารย์ได้สอน วิธีปฏิบัติต่างๆประกอบเข้ามาเช่นใช้วิธีนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองไปจนถึงส0บ ส, บ, สบแล้วก็เริ่มหนึ่งหนึ่งใหม่กลับไปกลับมา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 มีปกติที่เด่นร้นวัดแกว่งกระสับกระสายไปในอารมณ์ที่ยึดถือไว้ต่างๆที่เก็บไว้ต่างๆและบางทีก็มีความ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 มาตั้งอยู่ในกรรมฐาน